ชาติสุดท้ายไม่รู้จักความตายนางเกิดในสกุลเศรษฐีตกยากจนทรัพย์เป็นวงต่ำในกรุงสาวัตถีมีชื่อว่าโคตมีแต่คนเรียกกันว่ากีสาโคตมีเพราะมีรูปร่างค่อนข้างผอมต่อมานางได้แต่งงานกับชายในตระกูลมีทรัพย์หลังคลอดบุตรแล้วนางก็เป็นที่เอ็นดูของชนทั้งปวง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 ท่านเก็บผ้าจากกองขยะบ้างป่าช้าบ้างมาทาเป็นผ้าสังขติทรงจีวร อ, อันเศร้าหมองจึงได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นภิษุณีผู้เลิศทางลูกขัดจีวรทรงจีวรเศร้าหมองอถกถาเอกนิบาทเล่า ว, ว่านางเกิดในสกุลคนเข็นใจแต่งงานไปแล้วจึงถูกคนในสกุลสามีดูหมิ่นดูแคลน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 เป็นผู้เคร่งครัดอย่างยิ่งในการใช้สอยบริการห่มจีวรประกอบด้วยความปอนสามอย่างประวัติก่อนเข้าสกุลสามีอัธกถาธรรมบทเล่า ว, ว่านางเกิดในตระกูลเก่าแก่แห่งสาวัตถีที่เมืองนั้นมีเศรษฐีตกยากอยู่ครอบครัวหนึ่ง ท่านว่าตกยากเพราะเงินทอง4ี่สบโกรธที่เก็บไว้กลายเป็นฐานหมดเลยเพื่อนของเศรษฐีได้แนะนำอุบายให้ฐานกลับมาเป็นเงินทองดังเดิมด้วยการให้นำฐานนั้นไปวางขายในตลาดหากมีคนทักว่าคนอื่นขายผ้าน้ำมันน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเป็นต้นส่วนท่านนั่งขายฐานท่านจงถามเขาว่า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 ก็ของที่ท่านรับนั้นจะกลายเป็นเงินและทองถ้าผู้นั้นเป็นหญิงสาวไม่มีสามีก็พึงนํามาเป็นบุตรสะใภ้แล้วมอบทรัพย์40่โกรธให้แก่นางแล้วใช้สอยเงินทองที่นางให้ถ้าเป็นชายพึงยกทิดาในเรือนของท่านให้และมอบทรัพย์ให้แก่เขาแล้วใช้สอยทรัพย์ที่เขาให้เจตีตกยากได้กระทําตามคําแนะนํานั้น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 หญิงคนนี้จะต้องเป็นผู้มีบุญจึงติดตามไปสู่ขอนางมาเป็นสภัายไม่นานก็ให้กำเนิดบุตรชายแล้วก็ตายในเวลาเริ่มเดินได้นางร้องไห้ไปจนพบพระศาสดาเมื่อหาเมเ็ตพันธ์ในเรือนที่ไม่เคยมีคนตายไม่ได้นางได้สติทิ้งศพ บ, บุตรไว้ที่ศาลาแล้วขอบรรพชา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 ปอนด้วยได้1หนึ่งปอนด้วยเครื่องย้อมหนึ่งแต่อัตกถาเถรกถาว่าปอนด้วยมีดหนึ่งปอนด้วยได้1หนึ่งปอนด้วยน้ำย้อมหนึ่งในอัตกถารรมบทเล่าว่าพระพุทธเจ้าตรัสชมท่านให้เท้าส ก, ก่ฟังว่ามหาบอพิษภิกษุณีนั้นชื่อว่ากีสาโคตมีเป็นทิดาของตถาคต